ต่อจาก 23 กุมภาพันธ์ 2540 ในงาน 21ณพุทธสถานศรีสสะโสกเรา ได้ศึกษาถึงอารียะคุณหรือคุณสมบัติที่เราต้องการของความเป็นคนที่เขาใช้คําภาษาเรียกกันทั่วไปว่าอารยชนก็มา อริยสัจ 4 อตมะก็เรียกอริยสัจ 4 นั่นแหละจะท้วงกระท้วงมาไม่ว่า คำว่าอริยะหรืออริยะอย่างที่กล่าวนี่เป็นความต้องการของมนุษย์ ในเมืองไทยเราเข้าใจกันดีเมืองไทยเราเข้าใจกันดีส่วนคําว่าอารยชนชนหรือบุคคลมันก็อันเดียว ถ้าแต่เมืองๆมันก็มันก็เข้า อริยะมันหมายถึงทางจิตอารยะมันหมายถึงทางวัตถุอาตมาก็เลยเห็นว่าเอาล่ะเอามันทั้ง 2 ทั้งวัตถุมันเจริญทั้ง 2 อย่างน่ะแต่ สัญญาเวทยิตตนิโรธคือดับเวทนาดับสัญญาสนิทก็เลยกลายเป็นอสันญีสัตว์เป็นสัตว์ไม่มีสัญญาเป็นสัตว์ไม่มีการกําหนดรู้มันมีรู้ความรู้สึกดับ สัญญาเวทยิตยืนยันว่าแปลว่าซึ่งมันไม่ใช่ก็เหมือนกันคือว่าซึ่งมันไม่ใช่มันมี จับไอ้สัญญาอย่างนั้นน่ะสัญญาอย่างไอ้โจรนั่นน่ะเวทนาอย่างไอ้โจรนั่นน่ะเอามาฆ่าตรง ไอ้ติดสัญญานาสัญญายตนะสัญญาก็ไม่ได้ต้องดับสัญญานั้นปลุด เพราะมันเพี้ยนไปอย่างเงี้ยมันถึงออกนอกดูจริงๆรู้ จิตเจตสิกที่จะต้องรู้ไม่ได้เรียนรู้มันไปไม่รอแต่ทีนี้เมื่อเรามาเริ่มต้นแล้วแล้วเราก็ทํากันมาอาตมาไม่ได้เรียนศาสนามา และอาตมาก็ทําโดยที่มีของตัวเองมาเดิมอันนี้พวกคุณ มามามาบรรยายมาเผยแผ่มาทําอะไรนี่เป็นของอาตมาอาตมาเป็นอะไรคําว่าโพธิสัตว์นี่สั่งมีแล้วก็มาแสดงความมีมี สนใจทองสนใจเพชรเหมือนกันเล่นเพชรเล่นทอมาวินีเพชรเก้นี่เพชรรัสเซียคุณก็เรียนกันมาทั้งนั้นน่ะขนาดนั้นขนาดนี้ เป็นนัก อาตมาไม่ได้มานิยมที่จะมา โดยคุณไม่ฉลาดในตัวคุณคุณไม่ฉลาดในตัวคุณคุณโง่กว่า สมมุติว่าคุณฉลาดกว่าอาตมาคุณก็ต้องรู้ว่า แล้วคุณก็ ร่วมมือกับคนที่เออไอ้คนนี้มันฉลาดกว่าจริงๆนะ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดแม้อาตมาจะโง่แล้วเนี่ยยังไม่สนใจเลยนี่ขึ้น ตนเราเองเราก็มาทํากันถึงขนาดนี้แล้ว อันนี้เป็นเป็นประสิทธิภาพอย่างมากเลยที่เมื่อคุณเชื่อคุณเห็นคุณก็ต้องโอ้ต้องเอาตามต้องเป็นละ ถึงกันถึงนื้อนี่ฟังอื้อหือมันถึงถึงจนทางเรารู้ว่าเรา แต่มาพูดเหมือนกับยังแมะจับมาเป็นก้อนๆก้อนๆให้คุณฟังแล้วนะขณะที่พูดเนี่ยแล้ว 20 ปีมา 30 ปีอยู่แล้วเนี่ยพวกคุณๆมันไม่อยู่กันอย่างนี้หรอกหลายคนก็ไม่ได้ เพลเพลแก่แล้วเราแย่แล้วเออจะไปหาคู่อีกทีก็แย่แล้วไม่ไหว คันแล้วมันมีระบบของมันไม่กลัวคนที่มาอยู่แล้วยืนหยัดได้ถึง แต่ถ้าไม่คิดถึงขนาดมาเรียกร้องมากไปอาตมาวัดเราให้ เออมีอัตตาโตดนมากๆไปนิสัยาเค้าซะอีกเนี่ยดูสิทุกคนนั้นน่ะมาหลังเรา เออเพราะงั้นมันไม่ดีดีให้ได้สิดีอ่ะสรุปง่ายๆดีคนเราทําไมพวกเราไม่รู้จักคนดีเหรอพวกเรารู้จักคนดีเมื่อเราคนคนดีเป็นคนที่ทํา เปิดเผยและพยายามที่จะพิสูจน์พยายามที่จะสร้างความจริงโดยเฉพาะความ และอาตมาจะนําการศึกษานี้แหละพยายามอะไรๆต่างๆนานา บัณฑิตกิตติมศักดิ์กันอะไรอะไรก็ไปอย่าว่าจะดุษดีเลยปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ยังไม่ได้เลยดู ไม่บันเบามาเนี่ยอ่าเอ่อโพธิรักก็เหลอโถปริญญาตรีเท่าๆคําเดือนยังไม่ได้เลยดุจกิตติมศักดิ์อะไร อ่ารู้จักสำนวนตึ๊บมั้ยสมัยใหม่ก็ อาตมาก็เลยต้องบ่ายต้องพยายามอย่าไปไอ้นั่นมากนั่นเองถ้าอาตมาว่าอาตมาจะวิเคราะห์วิจัยการเมืองบ้าง รู้อาตมา การศึกษาก็ดีสังคมก็ดีในเรื่องของจริยธรรมเราก็ นี่มันโชคดีที่หลักฐานในพระตไตรปิฎกของเถรวาทมันมีอยู่นะไม่ได้หมายความ คิมติสุทธิที่ยืนยันเอา นะอวิปติสารปมุจชปิติปัสสัทธินี่เป็นผลแต่อนิสงส์คือประโยชน์ในการและแม้แต่พระศาสดาสัมพันธ์ยังจะจัดมหาจตารีสิกสูตรท่านก็ แม้ถึงแม้แต่ในศีลก็ถึงพูดถึงขั้น 9 18 ก็จํานวนวันนี้เนี่ย ไปสู่อรหันต์อรหันต์มันไม่ได้หมายถึงกายกับวาจาเท่านั้นมันหมายถึงจิตตัวจิตทั้งห่าเป็นตัวตัดสินน่ะเพราะฉะนั้นเพราะอรหันต์จะเป็นการเจริญก็จากศีลเขา มันออกชัดก็ดีแล้วล่ะแต่ต้องๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเห็นว่า อ่าแต่ยังดีสู้ได้ยังชนะมาได้นะชนะไม่ได้แพ้ไปไอ้ตรงกลางโต๊ะ <c oughs> ให้เจริญในธรรมจริงๆแล้วมันจะให 80 ปีตาย 100 ปีตายเนี่ยมันไม่ยาวเลยเพราะฉะนั้นรีบ มันก็ไม่ดีใช่มั้ยมันก็อยู่โดยธรรมชาตินี่แหละดีอยู่โดยธรรมชาติแล้วมันก็จะมี อย่างน้อยอย่าไปลดหย่อนฉันทะเอานะมีตัวแสบเยอะๆมี อย่าคําว่าท้อนี่ตัดออกไปจากวัฒนานุกรมเลย แล้วว่าคนนี้โอ้อันนี้คนนี้ไม่ไหวขนาดนี้คนนี้ขนาด หนูน่ะคนเราไม่ใช่ว่ามันจะที 2ๆอยู่ประจําอยู่ด้วยกันคบคุ้นกันเดี๋ยวมันก็รู้ไอ้คนนี้เนี่ยมันเจตนาเลี้ยงไม่ได้เจตนาแหละมันเป็นทั้งหมด กิเลสของคุณมีนานาสารพัดคุณได้ทําโจทย์ทุกข้อเลยไปอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักมั่งว่าคนที่เราไม่ คุณฟังดูดีๆจะเห็นจะเล 100% เลยเข้ามามาอยู่ใน ได้แล้วมันจะเป็นโจทย์เป็นตัวโจทย์ให้เราอย่างดีเลยจะครบหมดเลยอ่ะเออครบไม่ อย่าให้มีในพจนา it out เออดีดเพราะ ความไม่ชอบใจความไม่สบายใจน่ะมันเป็นใจของเราเองทั้งนั้น เราก็สบายด้วยแล้วเราก็ได้หัดฝึกเอามันออกง่ายๆดื้อๆเนี่ยแหละ <ม. S 1> นี่มีฉันทะไม่มีคุณลักษณะอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าเราเอาอาการนานามันมีอาการอย่าง นะอรหันต์คือศีลบุคคลบุคคลผู้มีศีลโดยปกตินั่น บริสุทธิ์ศีลเลยนะ นะนี่ก็คือขยายระระ 4 ระงับ 5 เรียกว่า 4 หรือมี 4 ระงับ 5 เรียกว่าโสดาปัตติยังค 4 อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติยังคัสสี่ประการเป็นไฉนดูกะธรรมาวดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบ โสดาปัตติยังฆะสีประการนี้ 5 เวร 5 ประการ 1 ไม่สัตว์ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ 5 ไม่ดื่มก็ศีล 5 สรุปง่ายๆย่อมประกอบไปด้วยศีล อันเป็นอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ถูกต้องไม่ แต่ทําแล้วเกิดอานจิตรู้มีญาณรู้ว่าเราจนได้จนสงบมีความยินจนเข้าใจที่แม้จะเป็นอุปกิเลสก็ลดลงไปเรื่อยเป็นปัสสัทธิเป็นสุขสุขคือสงบระงับเป็น 3 องค์ 1 มี และก็ยังทีเดียวยังคุมอาตมาใช้คําว่าเคร่ง <c oughs> สังสมลงเป็นสมาอาสมาธินี่ก็ตามเหมือนกันชั้นหนึ่งมีวิตกวิจารณ์มีการดำฤิทั้งจิตเสมอควบคุมวิตกวิจารณ์ควบคุมตักกะวิตกะในในสังคัปปะอ่าเป็นกามวิตกอันไหนเป็นเป็นวิหิงสาเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นมิดเป็นวิหิงสามันเป็นมิจฉา มันก็เข้าสู่สมาธิ แต่กิมัติยะมี 2 สูตรเลยนะใน 24 24 ข้อ <c oughs> <c oughs> 1, 1 เปิด 24 ข้อ 1 เลยกับ 208 อาตมาจําข้อ 1 กับข้อ 208 กิมัติยะสูตรในปฐพีดกมี 2 ข้อนี่ประซ้ํากัน <c oughs> ตัวตบท้ายแปลต่างกันนิดนึงนะเนี่ยเป็นสมาธิเพราะงั้นศีลเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ใช่เป็นไปไม่ ถ้าเกิดญาณทัศนะแล้วก็แน่นอนเมื่อปัญญานิธานญาณทัศนะมันชัดเจนมันก็นิพพิทานิพพิทามันก็ปลดปล่อยมันก็ความๆๆแหม แต่มันจะไม่เหลือวิสัยอะไรหรอกนาชาตินี้เรา ดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่นะได้ก็เอาค่ํา บอกตัวเองได้ตัวเองได้น่ะพระโสดาบันต้องพยากรณ์ด้วยตนเองน่ะตนเองได้เรามีแล้วคีนะเนี่ยนาคีนะนิริยะน่ะเรามีนรกสิ้น ต่างๆน่ะอบายทุกขติวิบัติคือไอ้ที่ๆก็มันดับมัน ต้องรู้ด้วยตนเองความจริงเลยเป็นจะจะเป็นโสดาบันเราก็ต้องมีญาณรู้ของเราอ่านออกอ่านชัดเลยนี่เราไม่ใช่ว่านี้น่ะโอ้ ราคะขนาดนึงขนาดนี้แหละมันจะมีสูงกว่านี้ไปอัพไปเราก็ไม่แล้วเราก็พิสูจน์แล้วโอ้เป็น มันอาจจะเป็นเรื่องโทสะที่จะต้องแมเห็นสัตว์กระทบแล้วสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อยาก หลับโผล่หลับตาหรือว่าตืมตาดีๆเอ้า <นะ S 1> เออถ้าไม่ใช่เสือดาวไม่ใช่เสือ ถ้าเป็นพระอรหันต์โอ้โหเอาถึงโน่นเลยนะจะยอมให้เสือกินน่ะ สุดท้ายท่านแก้ได้แต่สุดท้ายท่านต้องยอมให้เขาฆ่าเป็นพระอรหันต์แล้วมันต้องต่างหมดเดี๋ยวแล้วมันเป็นอะไรอีกพระโมคคัลลานะนั่น พระโมคคราณะเป็นโพธิสัตว์สึกพบต่อถ้าท่านเองท่านจะไม่ให้เสือไม่ให้เขาฆ่าท่านก็ไม่ให้เขา แต่นั่นแหละคือท่านเป็นโพธิสัตว์เพราะท่านต้องรักษาวิบากถ้าจะมาอ่านี่ฟังดีๆนี่มันมีนัยยะละเอียดอะไรบางทีบางครั้งเจอ ไม่เป็นโพธิสัตว์อรหันต์องค์นี้ไม่เป็นโพธิสัตว์อ่า วิบากหมดลอยทิ้งไปไม่เป็นของใครแล้วใครก็ไม่มีแล้วท่านของเจ้าของท่านเจ้าของวิบากท่านหมดแล้วนี่หมดตัวตนจริงๆเลยปรินิพพานนี่คือเลิกตัวตนทุกอย่างเลย แม้จะเป็นพระพุทธเจ้ากรรมชั่วที่ทําอยู่ เพราะฉะนั้นกรรมจริงเป็นเครื่องอาศัยที่แท้จริงจนกว่าจะปรินิพพานนี่ก็ชัดขึ้นอีกนะชัดขึ้น ตัวแม่เล็กเมน้อยก็อย่าไปทําน่ะพยายามน่ะอ้าวปอเราจะ นี่เป็นลําดับแรกที่คือความตายสนิทแรกอบายนี้ ต้องมีญาณชัดเจนของใครของมันอ่านเป็นพูดตายบางทีรัฐสภาคมส่วนใหญ่เข้าใจโสดาบันผิดไปเข้าใจเหมือนอรหันต์ ยังมีจํานวน 4 ก็ 3 อ่าเสถิธา 4 ก็หมาย 3 นั่นแหละประมาณ 3 ส่วนเนี่ยมันหมดไปเพียงส่วน มันโกรธอีก 3 ส่วนเหลือนะถ้าเป็นสักกิทาก็ลดลงไปอีกเลยโกรธโลบอะไรนี่ในระดับปฏิฆะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ ข้อ 4 โสดาปันนะข้อ 5 อวินิปาตธรรม 6 นิยตะข้อ 5 ผิดไป <c oughs> 6 อนิมิปาตธรรมข้อที่ 7 นิยตะที่ 8 สัมโพธิปรายนะเมื่อปิดอบายนี่แหละได้คุณ <c oughs> เข้ากระแสๆเพราะฉะนั้นๆอ่าๆอบายๆสี เรเรานึกว่าเราแล้วก็ยังไปโอ้ยังไปยากยังไปทนไม่ได้ยังไปอะไรต่ออยู่วนเวียนวนเวียนอยู่นั้นยังไม่ชัดยังไม่ใช่โสดาที่แท้โสดาแท้แล้วนี่จิตมันจะต้องเฉยจิตจะต้องเข้าคันอุเบกขาจิตจะต้องขั้นที่ไม่วนเวียนซ้ําแล้วซ้ํา อรูปรูปราคัจจิตอรูปราคัจจิตมันมีนิดๆหน่อยๆอารมณ์รู้ว่าลำจะมีหิริจะมีอตัปปะจะละอาย พอความว่าละอายนี่มันไม่ได้หมายของมา <c oughs> มันจะเกิด 7 จะรู้สึกว่าโอ้โหเราเองเราไปละเมิดหรือ มันจะมีแบบๆนิดๆหน่อยอารมณ์เล็กๆน้อยๆมันไม่ทําไปละเมิดไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา อนันยตตาอิทัปปัจจยตานี่เป็นปัจจยการเป็นสมุทปทิจสมุบาทอันบริบูรณ์ของผลของอรหัตผลของความสมบูรณ์จบตถตามันเป็นเป็นอันนั้นแล้วเป็นอันนั้นเลยอื่น อริยะนี่แปลว่าอื่นอนัเนี่ยไม่ไม่ๆอีกไม่มีแล้วไม่ๆไปเพราะสิ่งนี้เกิดแล้วจึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ ไปได้อิทัปปัจยยตาอ่านะไม่ตกต่ําเป็น ขดูกะระคะระหะบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่น 4 ประการอันประเสริฐอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้ว ญาณฤาญาณเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมีความ <c oughs> แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นไฉนดูกะระคณหบดีอริยสาวกในพระ อริยสาวกประกอบด้วยโสดาปัตติยักขะ 4 ประการก็ยายะธรรมอันประเสริฐอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้ว ธรรมะที่คือสิ่งที่ <c oughs> แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นไฉนดูกะระคณบดีอริยสาวกใน เป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนี่อิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งเพราะฉะนั้น ฉินี้ย่อมดับด้วยประการดังนี้รู้หมดเลยนัยยะของมันว่ามันดับ สิ่งนี้ย่อมดับด้วยประการดังนี้คือ สายอนุโลมเพราะอวิชชามันจึงเกิดทุกข์จึงเกิดวิชชาพอเกิดวิชชา วิสังขารนี่คือสังขารชั้นยิ่งไม่มีวิแปลว่าไม่ก็ได้แปลว่ายิ่งเหนือชั้นไม่ใช่ธรรมดาวิสามัญไม่ มีวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแต่มีวิชชาแล้วสังขารเป็นวิสังขารจึงมี มันไม่เพราะเหตุปัจจัยอาศัยมันได้ถ้าจะยึด ตนก็ทั้งชัดเจนเลยว่าโอสิ่งที่ถูก มีรูปนามขันธ์ 5 แน่นอนคุณยัง แน่นอนจมูกลิ้นกายตาไม่บอดน่ะหูไม่หนวกไม่ได้เป็นดับตามันเป็นดับจมูกดับ แล้วคุณก็ๆนี่ได้เพราะอย่าแล้ว เราเรียนรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เรียนสอนสอนมาจนกระทั่งเวทนา 108 อาตมาก็สอนไปแล้ววิจัยเวทนา ถ้าเรามีเหตุปัจจัยนี้มันก็อยู่เพราะฉะนั้นอหันต์ทําเหตุปัจจัยเป็นอหันต์จะเป็นผลิตสรรค์ไปอีกกี่ชาติเออและแถมไม่รู้จริงซะด้วยชัดๆเวทนาก็เป็นได้ได้แล้วได้ คำจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพูดเล่นนะตถตะอนันยตตะหรือว่าอวิธตะตามันก็ต้องเป็นอย่าง อย่างที่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆที่เถียงไม่ออกพระพุทธเจ้ามีความใหญ่ที่ผู้กรรมานแล้วท่านก็สร้างจนเสร็จอยาก บาปตัณหาทำลายตัณหาเพื่อตัวตนอะไรขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมายกตัวอย่างให้คุณจะเชื่อชัดใช่มั้ยท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วมีกรรมกิริยานั้น เอ่อมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมาดปรารถนาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ทุก เพราะการมุ่งมาดปรารถนาล้างกิเลสหรือเพื่อผู้อยากถ้าอยากได้นิพพานก็ตัณหา แล้วมันเป็นต้นหนักมันเป็นนิพพาน เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อท่านสู้จริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์สู้ไปสู้ไปบางองค์มันสู้ไม่ไหวอ่ะถ้ามันพอแล้วท่านก็บ๊าย เพราะวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์อย่างนี้มีพวกเรานี่แหละผู้มีไม่อยากเป็นมันก็ฟังเพลินๆ แต่หมดแล้วต้องเลยแน่ๆวันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเลยแน่วันสุดท้าย อะไรนะเล็บเล่นเจมส์ซ่อนตาดําเออฟังไปฟังไปตั้งใจนะ โพธิสัตว์เป็นภพพุทธภูมิเป็นภพสูงไปแม้พระอรหันต์ในชั่วอายุที่ท่านยังไม่ตาย ท่านท่านก็ย่อมรู้ว่าท่านมีชีวิตท่านกินข้าว มันไปเสพไปติดอ่ะเหนื่อยก็ก็รู้ๆมากคนพักก็ก็พักเออควรเพียรเราก็เพียรถ้าก็ เพราะอาหารนี้ยิ่งจะขยันเพราะว่าท่านขยันถึงจะอายุสั้นเออก็ไม่เป็นไรก็ชาตินี้ตายแล้วท่านจะปรินิพพานแล้วท่านจะขยัน สั้นก็ไม่ว่าแม้จะตายทันทีท่านก็ไม่ว่าใช่ว่า โดยเฉพาะทุกขอริยสัจคือทุกข์เอ่อทุกขปกินกะทุกข์แค่ที่มันเป็นว่าไอ้สิ่งนี้เอ่อทุกขปกินกะ ที่ทุกข์ ขันธ์หรือแม้แต่เอ่อพยาธิทุกข์แหมพยาธิทุกข์นี่ตัว ไอ้ทุกอะไรอื่นน้ออาตมาไม่กลัวทุกวันนี้มันมีขันหน้าเนี่ยพยาธิทุกเจ็บป่วยนี่ไม่รู้จะเอาออกไปไหนมันปวดมันอู้มัน เส้นเลือกมันไม่ตีไปทางมันก็ไม่ได้ยังเป็นมันยากมากเลยเออต้องเรา ไม่มีมันเหมือนได้ลาภเลยนะได้อย่างบรมมาได้เลยนะไม่คนๆเลยๆอโรคยาปรมาลภาจริงๆ กดขี่ข่มเหงๆเพราะใจเมตตาอ่ะเมตตาๆยุ่งชาติเมื่อเรารู้ ว่าการเกิดเราจะทรงไว้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะไรต่อ จื้อๆๆมันดองไม่ล่ะก็ดอง เอออบทโถมันรำคาญที่สุดแงวๆอย่างงี้น่ะอยู่โอ้โหมันๆนะปริวัท ดาวเองรู้จักรําคาญซะบ้างตัวเองเอ๊ะทําไมมันมาแล้วสักทีนะตัดมันเลิกมันอะไรกัน มีตวดดึกขาดชั่วเออมันไม่มีชั่วมันไม่คมมันทื่อแล้วมันก็อื้อฟืนชั่วเกิดไปคนหลายๆชั่วนะให้ เอ่อชั่วเลอะเทอะชั่วอลเนระนาดละยุ่งนะชั่วให้มันได้จัดสัดส่วนอ้าวเอาจากปฏิจจสมุปบาทน่ะปฏิจจสมุปบาทผ่านไป มันเหมือนกับเครื่องจิตๆๆๆๆๆอยู่อะไร อ่าเพียงดำกระแสนี่ก็สมมุติแปลเพราะที่จริงก็เข้าสู่ แล้วคุณก็ไปตั้งต้นถือศีลหรือมีศีลหรือมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อละอ่อเพื่อ นะกลไกเข้ามานี่ถ้าเป็นพูดดังเชิง ยานที่ล้างเนยท่านแปลว่านายถ้าแปลว่าเบือนาย แต่สมาธิก็ไม่ได้เป็นสมาธิกดคมอย่างเดียวด้วยสมาธิที่เป็น เพราะอันที่ คง 3 แล้วปิติสุขมี 4 ก็เป็นการสะอาดอุเบกขาเฉยวางยากแต่ พะยะสรุป 8 นี้อ่าที่พระ 8 นี้ชื่อเอ่อองค์ 8 นี้ชื่อ เพราะฉะนั้นในจิมัติยสูตรว่าสมาธิที่แล้วก็เกิดญาณทัศนะแล้วเกิดนิพพิทาพอนิพพิทามันก็สู่วิมุตติสรุปก็คือญาณกับวิมุตติเป็นผลมันทําสมาธิให้ถูกสัมมาสมาธิให้ถูกเมื่อทําสัมมาสมาธิให้ถูกแล้วมีญาณเข้า ธรรมดั่งจริงอ่าอ่าทีนี้ก็มาสู่ต่อมาในอนิสงส์ของสูตร 6 ปฏิผล 6 mm hmm. บุคคลเป็นผู้ๆว่าคุณมาศึกษากับอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ แน่นอนกูไม่ไปหรอกถึงจะไปก็ทําเป็นไปแต่ตัวทําดัดจริตไปแต่ใจ เพราะมันจะเป็น 2 ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดานี่ยืนยันที่จริงพระพุทธเจ้ายืนยันยืน ไม่ต้องแปลน่ะ 4 เป็นผู้ประกอบด้วยอะสาธารณยานเป็นซึ่งมีญาณที่มันยังไม่มีในโลกพูดง่ายๆมันยังไม่ แต่ญาณนั้นไม่ใช่อสาธารณะมันญาณอีกชนิดหนึ่งปัญญาณวิเศษญาณแต่เหตุโดยดีเห็นธรรมะที่เกิด อริยธรรมคือธรรมะที่รู้เหตุธรรมเป็นธรรมะที่สมบูรณ์เป็นธรรมะ ใช้ทีวีเป็นประโยชน์ก็ได้ทีวีจะร้ายขนาดไหนทําโทษเราไม่ได้ทุก เพราะฉะนั้นก็อยากจะไป แล้วทีนี้คนที่สร้างรายการทีวีต่างๆนานาคือ 50 กว่าช่องแล มีดาวเทียมรับจากตาดาวเทียมต่างประเทศนี่ดูกันได้ถึง 50 กว่า แล้วมันก็มาๆนานาที่เปิด ไม่มันไปกันใหญ่เซ็นเซอร์ยาวเนี่ยเอ่อเหตุเห็นธรรมที่เกิดขึ้นนะอ้าวต่อไป ดุษฎีทุกใช่มันมีเที่ยงกับไม่เที่ยงมัน และความแน่นอนดีๆนะอันนี้ต้องอ่านดีๆอ่านแล้วจะๆแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงๆอย่าง สามารถที่จะนี่เป็นคนเที่ยงได้เป็นนี้จะตราบเปลี่ยนอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่มีขันติอสมควรผู้ที่มี คือมันจะเป็นความเป็นธรรมดาเป็น 3 มันเป็นอย่างนั้นได้จะสู่ความเป็นธรรมะนี้เนี่ย แต่ธรรมะนี่มีนิยามธรรมะนี่เที่ยงนิยัมมะหรือนิยะนิยามหรือนิยัมมะ อ่าสัพพสิ่งไม่เที่ยงสิ่งอะไรที่สมมุติอยู่ชื่ออะไรที่ เอ่อมันมีปหานะเสื่อมทิฏฐิคงที่วุฒิเจริญเพราะฉะนั้นท่านมีบูรณาการ integrity ขึ้นไปเรื่อยๆมีบูรณการขึ้นไปเรื่อย อันแรกถ้าไม่มีขันติถ้าไม่มีสิ่งจริงถ้าไม่เอาจริงเพราะฉะนั้นขันติจึงเป็นตัวสําคัญมากนะสําคัญมากแล้วเราจะสามารถ สมัตตะเนี่ยนะมันสมะรากศัพท์สามัญเป็นความธรรมดาเป็นและเป็นอย่างนั้นอย่างนิยามอย่างนิยัตตะอย่างเที่ยงแท้นะอย่างเที่ยงแท้ยังไม่เป็นอื่น แม้ที่สุดเป็นวิสังขารและก็ไม่เที่ยงแต่เจริญของสังขารรายๆเป็นของไม่เที่ยง อ่าอินทรีย์กําลังคือศรัทธากําลังคือวิริยะกําลังคือสติ 4578 4578 เนี่ยในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยคุณปฏิบัติหลัก 4, 4 แล้วมันก็ อธิบายทวนหน่อยสําหรับคนที่ไม่ได้ 4 สมปัฏฐาน 4 อิทธิบาท 4 นี่คือหลัก 4 แต่ตัว 4 สมปัฏฐาน 4 อิทธิบาท 4 4 นี่แหละ 5 อินทรีย์ 5 เกิดขึ้น 5 ก็ อินทรีย์นี่ก็คือการเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกําลังเป็นความ 5 พละโดยหลักสําคัญ 7 8 โดยโพชฌงค์ 7 โดยมรรค 8 หลัก โพชฌงค์ 7 ไม่เกิดมรรค 8 ไมตต8 ลัทธิอื่นว่างจากโพชฌงค์ 7 า, ทท เลย, 7 มรรค 8 เพราะฉะนั้นฤาษีเรียนมากันมาไม่ คุณไปเดินทางรอบโลกมาหน่อยเถอะไปตรวจสมาธิทั่วโลก แล้วไปติดตามศึกษาเลยว่าแหล่ง สัมมาสมาธินี่จะไม่เหมือน 8 ยิ่ง 8 ขยายความตั้งแต่สมาธิสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะอาตมาพูดปาก <c oughs> ล3 ในกัมมันตะ 5 ในอาชีวะแล้วในราย 3 สังคปะมันขนาดไหนอย่างไรเพราะจากกามกามวิตกพยบาทพิตกวินหสาวิตกในวินหสาวิตกยังมีรายละเอียด แล้วสอเสียดมันคืออะไรหยาบมันคือบอกตัวกูของกูๆพูดหลายๆคําในหลายอย่างหยาบหรืออะไรๆพวกนี้ซับซ้อนกันแต่มันตอนนี้วาระนี้มันไม่ใช่คําหยาบแต่ซับซ้อนกันนี่ เราต่างๆนานาเนี่ยต้องซอเสียคืออย่างไรให้ต่างๆนานาพวกนี้นะเดี๋ยวเราเข้าใจ 3 ของกัมมันตะสรุปลงไปๆปาณาอทินนากาเมสุมิจฉาจารละเอียดเท่าไหร่อาตมา เขียนกามมีกาเมสุมิชชาจารย์ก็เริ่มเท่า และออกเป็นมบสาขาแยงเค้าก็ย้อนแยงก็เพราะแหละกาม นะมันได้อิละออ เออมันพิสูจน์ดูซินี่กุหานาลัปปนาเนมิตตะกตานิเปสิกตาลาเพณะลภังนี่ที่จริงสันตะตาเราทําได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี่สังคมของเรานี่จะมีทุกลําดับ ขั้นศีล 10 ลาภะณอยู่ในทางผิดเดี๋ยวนี้ในพวกเรานี่ก็ยังมีอยู่รู้ทั้งรู้ว่านี่อยู่ในบริษัทนี้ เออลาภเพณะลาภังไม่ลาภแลกลาภ แต่ลัปปนากะคุหนนามันหยาบแล้วในระดับช่อโกงในระดับมิจฉาทิฐิ เพราะ 5 ก็ต้อง 5 ต้อง 8 ศีล 8 ครบ 10 ศีล 10 ครบศีลโอวาทปาติโมกข์ก็ได้ขึ้นไป การญาณเป็นตัวรู้จักวิธีมันย่อมมีการ ใครฉลาดใครรู้เท่าทันไวคนนั้นปฏิบัติ อาวุธสารพัดพิษมันจะมีในมันจะรวมกันมาโอ้โหในเอ่อไม่ใช่จักรวาล จะรวมกันมาแปลกๆประหลาดนั่นน่ะก็ซื้อ สารพัดแบบมายังไม่รู้ตัวไม่รู้อาวุธอะไรของมันบ้าอาวุธไอ้นู่น เออเออทำมาอาวุธสู้ด้วยมือเปล่าอาวุธทั้งหลายแหล่นั่นก็คือมุมเหลี่ยมประเด็นหรือเชิงต่างๆของกิเลสเชิงต่างๆของกรรมกิริยาเชิงต่างๆของผัสสะแล้วมันก็จะทําเราจะต้องเก่งต้อง จะมีมาเพราะเพราะมาฟังอร่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ มันจะมีเหมือนหนังของแขกหนังแขกใช่มั้ยเวลา อ่าอย่าไปร้ายกาอย่าไปโกรธอย่าไปเครื่องอ่า เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ร้ายๆๆมีโลกิยฤทธิ์มากมายมาสู้กับสู้จนโลกิยะพ่ายแพ้ไปหมดเลยมันถึงจะได้ มรรค 8 ไม่เกิดมรรค 8 กับโพชฌงค์ 7 จึงเป็นยอด ถ้ามันไม่เชื่ออย่าเชื่ออย่างนี้มันรู้ สารสติสมาธิปัญญาไม่ขยายไม่ แข่งอินทรีย์ <c oughs> อีกอินทรีย์ 5 พละ 5 อีกอันนึงเป็นอุบายเครื่องออกจากสุขจากทุกข์ออกจากโทมนัสโสมนัสออกจากได้ได้อาศัยได้คุณ เป็นเป็นเป็นโลกหรือเป็นอัตตาก็ตามใจที่วิเศษที่ อารยะเหมือนกับที่ท่านพูดง่ายๆว่า เพราะฉะนั้นสุดท้ายที่สุดในที่สุดแล้วก็ โอ้ขันธ์โว้ยรำคาญใจอุปยาสะมันหงุดหงิดมันคืออารมณ์มันไม่มันไม่หัด โอ้โหต้องจะทําจะจิ้งคุณทําในระดับของอรหันต์คุณก็เอ้ยเพื่อเอ็ง ถ้าได้ในชีวิตของอาตมาไม่เคยที่โอ้เจ็บกับคุณ 100 คน 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนเข้ามันเท่าไหร่เพราะ อนุโมทนานะพี่ไปเถอะน้องขอลาก็ปรินิพพานแล้วเพราะขาหักขาเปกันมา จะตั้งจิตบริษัทแท้ทั้งนั้นแหละเพราะมันเบา ระลึกชาติตัวเองแล้วชาตินี้ยังไม่เคยเป็น เจอมาเท่านี้วิบากมีเท่านี้ก็หนักหนาแล้วอย่าไปก่อวิบากมาอีกหญิงนี่นะเห็นงาม ไม่รู้มันจะร้ายอย่างไหนบ้างอย่าเลยพอทีเถอะๆที่ดีเป็นความกรุณามุทิตาอุเบกขาต้องอาศัยอาศัย อาศัยความเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธมีพระเจ้ามีพระมุทิตาอุเบกขาเขาสรุปไว้แล้ว แต่มันไม่หมดตัวตนตรง เพราะจะเอาแต่คุณค่าจะเอาแต่ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ได้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นศาสนาที่มีพระเจ้า ลิฟต์แดนที่สูงมากแต่ข้องพูดมันมีสภาพย่อนแย้งมีสภาพที่ปล่อยวางนะก็คุณดูง่ายๆรูปธรรม เพราะฉะนั้นคนเข้าใจอโศกยากเข้าใจคุณจำลองยากแม้คุณจำลองมือ แต่วิเศษที่สุดแล้วมีช่องทางที่สมบูรณ์คุณอยากจะอยู่เป็นอย่าง แต่แขเนงไปสารพัดสารเพไปอีกได้ว่าตัวเค้าเป็นพระเจ้าเค้ามันเป็นพุทธเค้าก็พุทธกวนอิมปางหนึ่งพระโพธิสัตว์อาตมาก็ไม่อยากจะพูดโพธิสัตว์มันเลอะออกไป เหมือนกันมหายานเป็นเอียงเหมือนกันเค้าก็ว่าอ๋อๆมีเมตตาเยอะๆเค้าก็สร้างประโยชน์ไปนะก็ไม่เห 5 พระ 5 5 พระ 5 รู้คุณรู้ สภาพของอินทรีย์ 5 พละ 5 อย่าง 1 ไปแล้วอินทรีย์ 5 สำคัญก็คือมีอุบายเครื่องออกสามารถจะออกแม้แต่คุณก็ไม่ติดโทษน่ะออกได้แน่นอนไม่มี อาศัยอกุศลเป็นพ่วงแพอาศัยกุศล เป็นคุณค่ามันยิ่งเสียดายวิเศษมันซ้อนนะมันยิ่งหวงแหนมันยิ่งเสียดาย เขามีแค่ 500,000 ล้านบาทไอ้นี่มันยิ่งก็ 500,000 ล้านมันล้านๆมันหลายล้านๆๆล้านบาทมันไม่เสร็จกว่านั้นเลยมัน มันต้องมาทิ้งอยู่ดีต้องมาทิ้งอยู่ดีต้องมีอุบายเครื่องออกต้องสละออกต้องฝึกเสมอว่าอย่าไปติดประยุทธ์ อ่าแค่โสดาปัตติผลก็ยิ่งกว่าอ่าเอกราชทั้ง ละสมาสัมโพธิญาณมันจะคันไหนหน่าฟังให้เป็นชั้นๆเข้าใจมั้ย เนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนซับซ้อนซ้อนพวกนี้มันมากจริงๆแต่ต้องเรียนรู้ต้องนึกซึ้งต้อง เรียนมาจากอาจารย์อีกที่เป็นโพธิสัตว์ผู้พี่ก็หลายองค์ต่อทอดกันมาได้ด้วยมันสืบทอดกันมา แมะยิ่งแค่พระโสดาบันก็ขึ้นยิ่งเอกราชทั้งปวงยิ่งกว่าอดิอธิปไตยทั้งปวงยิ่งกว่าสวรรคาลัย 115 ล้านมีอยู่ขนาดนึงขนาดไหน เออแค่นี่ก็แหมมันก็ยังมีอะไรอาวอร์ดเมสเสจ รักษาความรู้สึกดีๆกันเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เพลย์ให้คนก็ อาม่าแก้กลับในสิ่งที่ไม่ดีก็เอารัก ข้าพระพุทธเจ้าก็ฝึกอย่างแรงบ้างอ้าวตถาคตทําไมพูดอย่างนั้นท่านก็ขาดทิ้งด้วย เออใช่เกสีการขาดทิ้งไม่หม่อมกตตถาคตแต่การขาดทิ้งของกตตถาคตนั้นคือ ใครที่หมดปัญญาที่จะช่วยแล้วพระพุทธเจ้ายังต้องทําโพธิรัตน์เป็นใครไปเก่งกับพระพุทธเจ้าระวังนะพวกเราจะเป็นคนนั้นกันแล้วกันคนหมดละนะ 7 อี Percy lima FM. 7 o. 15 o. 50 o. 150 o. without bearing shЛi now. 7 o. 70 7 o. um yarn 7 o. these are 7 o. dyna 7 o.cipeadMe sir!" 7 o. y minimum is libertarian 7 o. is presented to communication 基本的 Toko South Yarn 7 o. โดย siepport corporate in 만isterate Cosophees minut I 6 คุณ 6 ก็ 7 อ่าเป็น 7 จากสาราริยธรรมคือฝึกเมตตากายกรรม สูตรนี้น่ะอันนี้เอามาให้ดีเลยมั้ยเพราะเคยมีเมตตากายกรรมมั้ยมีเมตตาวจีกรรมมั้ย เสร็จแล้วก็ไม้นี่เนี่ยเออดีฮะมันไม่ใช่มันก็ กว่าไหนว่ามาเป็นพี่น้องกันไงไม่ใช่ของของเราไงสาธารณโภคีไงระวังสาธารณโภคีอาตมาไม่ ดาวล่ะก็พูดผสมพูดขยายความให้มันดูมุมที่มันจะร้ายขึ้นมามันมีได้ถ้า ไปด้วยกันมาด้วยกันสอดคล้องกันเป็น เป็นสัจจะเดินเป็นสายไปเลยนี่หลัก 6 นี้จะเกิดคุณธรรมนั้นในจิตของเราจิตของเราเป็นจิตสารณิยะระลึกถึงกันไม่ใช่ ระลึกถึงศาสนาระลึกถึงเออคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันรู้แล้วรู้วิธีการ ระลึกก็ระลึกได้ระลึกได้มากก็เพราะว่าเราฝึกมามากก็ คนแม้จะเป็นเด็กมีอะไรเคารพในสิ่ง สึกหอกปากลดลงลดลงบ้างนะสึกหยับๆทางกายกรรมไม่มีก็ดีแล้วสึกหอกปากก็ คนกระแสมีสิ่งที่ไม่ตรงกันได้แต่อย่าให้เกิดต้องอะเลยทีเดียวละอะวิวาธเสริม มันไม่ง่ายทำอะไรมันก็ไม่ง่ายง่ายทําอะไรมันก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าอุปสรรคนี่ สิ่งทำได้ยากอะไรอีกเสียสละได้ยากมันต้องยากได้ยากทนได้ยากเอาๆว่าเราจะต้องมาสู้ความยากแล้ว ปัญญา 7 ระดับอีก 7 อันเนี้ยนั่นนำไปอ่านทบระ 2 ต้องเสพ ทำให้เจริญภาวนาแล้วทําเข้าไปพหูรี 2 ข้อ 3 ต้องพยายามที่จะพยายามเมื่อทําได้แล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ได้อันนี้ในมาถึงบอกว่าคุณไปพบ ท่านศีลท่านเอาความหมายอันนั้นนะจะไม่เหมือนของใครนอกจากทําแบบนี้นอกจาก นะเป็นคนที่มีอาการอย่างนั้นจริงๆคงใจไม่ใช่เฉยเมยผิดแล้วจะจืดอารมณ์อย่าง ถ้าไม่เช่นนั้นเผลอเผลอไผลเดี๋ยวจะร่วงโดยตกต่ําเพราะฉะนั้น เห็นมั้ยสัจจะมันๆนี่พระพุทธเจ้าทรงยืน 5 แล้วนี่ประกาศเลยว่าศาสนาพระพุทธเจ้านี้นี่ขยันหมั่นเพียรค้นควายกิจการของโลกของโลกีย์ของอะไร ไสยศีลคาอยู่พร้อมกันกับการในข้อ 4 นั้นน่ะที่ เป็นความบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บเลือดร้อนทันทีเป็นธรรมดาของเลยหรือธรรมดาแล้วเมื่อไม่ธรรมดาบกพร่องนิดหน่อยขึ้นมา ดิบแก่กลับข้อ 6 นะ 5 อธิบายข้อไป 6 ไปเลยทําประโยชน์มีประโยชน์ทําในใจได้กําหนด เอ๊ะเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตมันก็เงี่ยโซดสดับคอนเสิร์ตๆอย่างงี้นะทางธรรมะของเราก็จะเป็นคนเงี่ยโซดสดับธรรมโอ้มีธรรมะดีๆที่ไหนโดยเฉพาะอโศก จะไปพัฒนากันที่ไหนเราต้องไม่ตก เป็นภพของทิฏฐิอย่างนี้เป็นภพของศีลสมาธิอันนี้ มีความเบิกบานร่าเริงมีความสนใจๆละเอียดละเอียดถ้าคุณ 7 ข้อนี้ได้โอ้โหเราเป็นโสดาบปฏิผล ระวังอัตตาจะกินตัวระวังเท่านั้นเองนี่ขอคําชับคําชา เหลือแต่อนุสัยกิเลนแล้วอนาคาทีนี้มีแต่พบในลึกๆเป็น